วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันที่ท่านทั้งหลายสาธิชนพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาความเชื่อมีภาษาทาความเนื่องใส ในพระบรมศาสดาพราอาหารหันตสตามมาสัรพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อที่มาประกอบหน้าที่ของพุทธบอยสัต ก็คือศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความสุขที่แท้จริงที่ถาวรและการดับทุกข์ที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปวันนี้จะได้ฟังเรื่องสรรณะ ที่พึ่งทางใจที่พึ่งนี้มีอยู่สองแบบด้วยกันที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายนี้ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางใจได้และที่พึ่งทางใจก็ไม่สามารถ ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางกายได้เะฉั้นที่พึ่งแต่ละชนิดก็มีความจําเป็นต่อส่วนนั้นเช่นที่พึ่งทางร่างกายก็มีความจําเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายถ้าร่างกายขาดที่พึ่งทางร่างกายร่างกายก็อยู่ไม่ได้ ร่างกายก็จะทุกข์ยากลำบากเยือดร้อนเสียหายและขึ้่ชีวิตไปได้ถ้าขาดที่พึ่งทางร่างกายที่พึ่งทางร่างกายก็คือปัจจัยสี่ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก ซึ่งที่ซึ่งทางร่างกายนี้พวกเราทุกคนนี้เชื่อว่ามีพร้อมบริบูรณ์กันทุกคน<ม>เพราะถ้าขาดแล้วคงจะมาที่นี่ไม่ได้<ม>ถ้ามีถ้ามาที่นี่ได้แสดงว่าจะต้องมีอาหารรับประทานมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาสัยมียารักษาโรค ไ ว, ไว้รักษาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเวลาที่เกิดขึ้นมาแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายที่พึ่งของร่างกายนี้ไม่สามารถมาทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของใจได้ต่อให้มีที่พึ่งทางร่างกายสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรก็ตามเช่นมี บ้านใหญ่โตมีขรหัสนหลังใหญ่หลังโตราคามากๆ ม, มีเสื้อผ้ า, อาพรสวยงามราคาแพงๆมีอาหารชนิดต่างๆราคาแพงๆ แ, และมีการรักษาพยาบาลตามสถานที่พยาบาลที่มีราคาแพ ง, แพง ถ้ามีปัจจัยสี่ที่มีระดับแพงนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลจิตใจได้คือไม่สามารถมาทำให้จิตใจนี้ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจได้หรือป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆปรากฏขึ้นมาได้าะ ที่พึ่งทางใจนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางร่างกายนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจเราจึงต้องสร้างที่พึ่งทางใจด้วยนอกจากมีที่พึ่งทางร่างกายแล้วถ้าเรามีเพียงแต่ที่พึ่งทางร่างกายนี้เรายังป้องกันความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับใจของเราได้ และเวลาเกิดขึ้นเราก็จะไม่สามารถดับกันได้ด้วยที่พึ่งทางร่างกายเราจรึงต้องมาสร้างที่พึ่งทางใจนที่พึ่งทางใจนี้เราจะสร้างได้ก็ต้องมีผู้สอนผู้บอกวิธีสร้างที่พึ่งทางใจให้แก่รวกเรา ที่เพิ่งทางใจนี้มีอยู่ที่พระพุทธศาสนานี้ อ, อยู่ที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์สำหรับที่เพิ่งทางใจนี้ก็มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันระดับบุตุชนคนธรรมดาสามัญและระดับพระอริยบุคคล ที่เพิ่งสองระดับนี้ไม่เหมือนกันสำหรับปุถุชนนี้ต้องพึ่งพระพุธทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอนเป็นผู้บอกวิธีกำจัดพางทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแต่สำหรับพระริยะบุคคล น, นี้ท่านรู้วิธี กำจัดความทุกข์ต่างๆป้องกันความทุกข์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นภายในใจของท่านได้ท่านก็เลยไม่ต้องใช้พรรัตนตรัยเป็นที่พึ่งท่านใช้อัตตาหิอัตโนนาเถเป็นที่พึ่งตนเป็นที่พึ่ง ข, ของตนท่านไม่ต้องพึ่งผู้มาสั่งมาสอนพาะอริยบุคคล น, นี้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันพระสกิทาค า, า, า, ามีพระอนาคามีพระอรหันต์มีท่านไม่ต้องพึ่งพระรัตนกายท่านเพึ่งอัตตาหิอัตนาวนาเถท่านไม่ต้องไปถามพระอาริยสงฆ์องค์อื่นว่าจะกําจัดความทุกข์อย่างไรท่านรู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ของท่านได้ด้วยตัวเองเพราะท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากพระ รัะตะนกายมาก่อนนั้นเองถ้าเปรียยเทียยก็เป็นเหมือนนักศึกษาที่จบปริญญาแล้วเมื่อจบปริญญาแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งอาจารย์ต่างๆมาสอนมาบอกอะไรให้รู้เพราะได้เรียนรู้มาหมดแล้วสามารถเป็นที่พึ่งของตนได้แล้วนั้นที่พึ่งทางใจนี้จึงเป็นสองระดับด้วยกันเพื่อที่ท่านทั้งหลายที่ ศึกษาก็ทําคําสั่งคําสอนจะได้ไม่สงสัยพราบางครั้งจะมีคนถามว่าจะให้เชื่ออไหนดีจะเชื่ออ่าจะให้เชื่ออัตตาหิอั ต, ตนโนนาโถหรือให้เชื่อพระาลัคนาใจจะให้ถืออะไรเป็นที่พึ่งของตนจะให้ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะ หรือว่าให้ถือตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าไม่ได้ศึกษาอย่างท่องแท้ก็อาจจะสงสัยว่าเป็นที่อันไหนเป็นที่พึ่งที่แท้จริงกันแนนะ่แต่ถ้าได้มาศึกษาแล้วก็จะเข้าใจว่าขึ้นอยู่กับระดับจิตของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติว่าอยู่ในระดับไหน ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่รู้จักวิธีกําจัดความทุกข์อย่างแท้จริงได้ด้วยตัวเองก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้ผู้ที่ได้กําจัดความทุกข์ให้หมดสึ้นไปจากใจแล้วมาเป็นผู้สั่งผู้สอนนั่นเองผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ก็ตอบไปเลยว่าตัดสัลุวิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ไม่ได้ตัดสัลุว่าอะไรสาระสำคัญของการตับสรลุของพระพุทธเจ้านี้อยู่ที่การรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดสิ้นแต่ท่านรู้ด้วยการค้นคว้าด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติทดลอง ลองผิดลองถูกจนในที่สุด ก, ก็ได้พบสัจธรรมความจริงคือพระ อ, อริยสัจสีนี้ที่เป็นสาระของความทุกข์ใจคือทรงค้นพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากตัณหาความอยากถามชนิดด้วยกัน กามัตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหากามั่ตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสผลสัพพะที่พวกเราอยากกันอยู่ทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาก็อยากกันนะอยากดื่มอยากรับประทานอยากดูอยากฟังกันตื่นขึ้นมาก็คว้ามือถือก่อนแลวแบดูนละ้วมีข่าวข่าวมีอะไรบ้าง อยากดูแลอยากฟังแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดตู้เย็นอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นของอาหารเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี่เรียกว่ากามากัหาตัวนี้แหละที่ทำให้ใจเราทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะลูกเสียงกลิ่นรถมันไม่เพียงมันไม่แน่นอน<ม>เวลาอยากเราได้มันก็สุข<ม>เวลาอยากเราไม่ได้มันก็จะทุกข์ ปัญหาอยู่ตรงนั้นที่เราทุกกันก็เพราะว่าเวลาเราอยากได้ลูกเสียงจิตลนแล้วมันไม่ได้เช่นในช่วงติดมีโควิดนี่ COVID 19, จะออกไปนอกบ้านเข้าไปไม่ได้จะไปเที่ยวตามบาตามผับนึจะไปทำอะไรกับคนอื่นร่วมกันก็ทำไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจอยู่บ้านแล้วเหมือนติดทุกข์ติดตาราง มีความอึดอัดมีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจมีความบดหิ่ใจลำคาญใจนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นน้อยโทภทพเรียกว่าการการ ม, มคุณห้าความอยากในการ ม, มคุณห้านี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์เวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก ความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นคนธรรมดาสามัญแล้วยังไม่พออยากจะเป็นใหญ่เป็นโตกันอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นนายอำเภออยากจะเป็นหัวหน้า ตั้งแต่เด็กก็อยากจะเป็นกนแแข่งกันใครจะเป็นหัวหน้าห้องได้ยก็มีความอยากเพราะเวลาได้เป็นอะไรแล้วรู้สึกว่าจะมีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกกันเคร่วงที่ผ่านมานี่มีเด็กไปสอบเข้าโรงเรียนกันอยากเรียนโรงเรียน นั้นโรงเรียนนี้ก็ต้องไปสอบแข่งขันกันคนที่สอบได้ก็ดีใจมีความสุขคนที่สอบตกก็เสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าไม่อยากเข้าโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ก็ไม่ต้องไปสอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจจะได้ไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ความอยากความหลงมันหลอกให้น้องคิดว่า อยากแล้วดีได้สิ่งนั้นมาแล้วจะดีจะมีความสุขแต่หารู้ไหมว่าถ้าไม่ได้แล้วมันจะทุกข์มันจะเสียใจอนนี่คือเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่กันอยากได้ตําแหน่งสูงๆอยากกล้ามอยากรวยอยากสวยอยากงามอะไรเป็นก็เทว่าเป็นภาวะตัณหา ความอยากมีอยากเป็นหรือท่านสูงกว่านั้นก็คือความอยากสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็คือความอยากได้รูปประธานอยากได้สมาธิได้ความสุขจากรูปประธานอันนี้ก็เป็นเป็นภาวะทันหาเหมือนกันแล้วความอยากชนิดที่สามก็คือวิภาวะทันหา ความไม่ความอยากไม่มีไม่เป็นอยากเป็นแนละ้วอยากจะเป็นอยากร่ำอยากรวยแล้วก็อยากไม่ยากจนอยากไม่ติดทุกข์ติดตารางอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าวิภวะสัญหาแล้วพอพอไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เวลาได้มันมา ก, ก็ทุกข์กันเวลาไปติดทุกข์ก็ทุกข์กันอยากไม่ติดทุกข์กัน แต่พอไปติดทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์กัน mm. อยากไม่ไม่ยากจนพอเกิดความยากจนขนึ้นมาก็เกิดความทุกข์กันอยากไม่แก่ก็ทุกข์เวลาแก่ mm. อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์อยากไม่ตายเวลาจะตายก็ทุกข์กัน นี่คือตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจให้กับพวกเราไม่มีตัวไหนมีสามตัวนี้ทัานเองไม่ต้องไปค้นหาอะไรให้มันยุ่งยากลำบากบางคนนี้จะดับความทุกข์นี้ต้องไปนู่นมานี่กันต้องไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนากันความทุกข์ถึงจะดับไปแต่มันดับเดียวๆ เ, เวลาไปเที่ยวก็เพลิดเพลินมีความสุขเดี๋ยวพอกลับมาบ้าน เดี๋ยวความทุกข์มันก็มาต้อนรับเราอยู่รอเราอยู่เพ mm hmm. ราะวิธีการของการดับความทุกข์ต่างๆของปุถุชนคือของพวกเรานี้มันไม่ใช่เป็นวิธีการดับความทุกข์ที่แท้จริง mm hmm. มันเป็นวิธีกลบความทุกข์ไว้ชั่วคราวเอาความสุขที่ได้จากความอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มากลบความทุกข์ที่มีอยู่ในใจ ที่จะคอยโผลขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเราจึงมีความทุกข์กันมาเป็นเวลาอันยาวนานไม่ใช่แต่ทุกเฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวเราได้มาเกิดเปลี่ยนร่ายตายเกิดกันนี้ไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วลทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็มาเจอความทุกข์แบบนี้กันเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีกําจัดทางทุกข์ ที่ถูกต้องเราไม่ได้ไปกำจัดต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองถ้าอยากจะให้ความทุกข์มันหายฝ่ายนี้เราต้องไปกำจัดความทุกข์ที่ต้นเหตุที่ใจของเราที่ความอยากของเราที่ความอยากทั้งสามชนิดนี้ถ้าเราหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสได้จยุดความอยากนีอยากเป็นได้ หยุความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมาในใจของพวกเราอย่างเด็ดขาดอย่างแน่นอนแต่การที่จะหยุดความอยากนี้มันพูดง่ายฟังง่ายแต่มันทำยากมันเหมือนกับการเปลี่ยน้อรถยนต์เนีเวลายางแต่เนี่ยเวลาเวลาดู วิธีเปลี่ยนมันก็ง่ายคธอต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้ามีมือเปล่าๆนี่จะไปเปลี่ยนยางล้อรถที่แตกนี้เปลี่ยนไม่ได้ต้องมีเครื่องมือคือมีแม่แรงมีที่ขันน็อตคลายน็อตถึงจะสามารถที่จะยกล้อให้ลอยขึ้นได้แล้วก็คลายน็อตที่ขัน ชันล้อให้ติดกับรถนี้ให้ออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนล้อใหม่ใส่เข้าไปแทนได้อันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะมาละความอยากหยุดความอยากทั้งสามคือการมาทันหาภาวะทัหาวิภาวะทันหานี้ให้มันหมดไปจากใจของเรานี้เราจรึงต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ เรารู้แล้วตอนนี้ว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องมือเราต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมา <Yeah. S 1> เครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างนี้ก็เรียกว่ามรรคมรรคก็คืออริยสัจสี่ข้อที่สี่เราเมื่อกี้เราพูดถึงอริยสัจข้อที่หนึ่งคือความไม่สบายใจต่างๆ ความทุกข์ใจต่างๆเป็นความจริงที่เราไม่ปฏิเสธกันและต้นท้ายต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจต่างๆของพวกเรา mm. ก็เกิดจากความอยากทั้งสามประการอันนี้เป็นอริยาศาสตรขส์ข้อที่สอง mm. ข้อที่สองเป็นเหตุทำให้เกิดข้อที่หนึ่งขึ้นมาพอเกิดสมุทยัยเกิดความอยากปับ๊บ ใจก็จะวุ่นวายขึ้นมา ท, าทันทีอยากได้นู่นอยากได้นี่ใจก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้พออยากพอเห็นเขามีการประกาศลดราคาสินค้าพอเห็นแล้วอยากได้ขึ้นมานี้อยู่บ้านเฉยๆไม่ติดนะต้องรีบออกจากบ้านไปซื้อสินค้าชนิดนั้น ท, ทันทีแต่ถ้าไม่ต้องการไม่อยากซื้อสินค้าชนิดนั้น ก็ไม่เดือดร้อนอยู่เฉยๆได้เห็นไ้ยเห็นความแตกต่างเวลาเกิดความอยากกับเวลาไม่เกิดความอยากเวลาเกิดความอยากแล้วนี้ใจจะกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีจะอยู่ไม่เป็นสุขจะกลับมาอยู่เป็นปกติได้ก็ต้องได้สิ่งที่อยากได้มาทนั้นเรามาสังเกตดูที่ใจเราแล้วเราจะเห็นว่า เรากำลังสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองโดยใช่เหตุอยู่เฉยๆนี่สบายอยู่แล้วพอเห็นก็โฆษณาลดราคาสินค้าเนี่ยในช่วงนี้พวกโรงแรงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนี้เขาลดราคาลดแรกแจกแถมเคยอยู่โรงแรงคืนลเหมื่นลดเหลือห้าพันพอเห็นราคาลดนี้น้ำลายไหลแล้วต้องรีบไปแล้ว เพราะว่านานๆจะได้อยู่โรงแรมราคาแพงๆแต่ใช้แต่จ่ายราคาถูกๆก็ทั้งพอพอเห็นการโฆษณาแบบนี้แล้วสำหรับคนที่เคยเคยเที่ยวเคยอยู่ตามโรงแรมราคาแพงๆต่างๆก็อดที่จะน้ำลายไหลไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องไปทำตามความอยาก อันนี้แหละตัวที่ทาให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาคือความอยากพอเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูก อ, อกถูกใจก็อยากได้ขึ้นมาพออยากได้แล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วลกลับมาอยู่เป็นสุขได้ก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่อยากแล้วได้ไปทำในสิ่งที่อยากแล้วฉะนั้นถึงจะกลับมาอยู่เป็นปกติได้แต่ก็ไม่นานเดี๋ยวก็มีสิ่งอื่นมาก็ตุ้นให้อยากขึ้นมาอีก ไม่รู้เสียงกลิ่นรสเ็ภาวะนั้นภาวะนี้ไม่ภาวะนั้นภาวะนี้ก็ภาวะที่ไม่ต้องการก็โผล่ขึ้นมาบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเพราะร่างกายเจ็บแล้วใจก็เจ็บตามไปด้วยทั้งท้งที่ใจไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายแต่เนื่องจากใจมีความอยากอยากให้ร่างกายไม่เจ็บพอร่างกายเจ็บใจก็เลยทุก์ อะยกับความเจ็บของร่างกายอ่า น, นี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจรู้รู้ว่าความไม่สบายใจต่างๆของพวกเรล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนหรอะเกิดจากตัวเราเองนี่แหละเกิดจากความอยากของพวกเราเองเท่านั้นเองง่ายๆแล้วก็มีสามชนิดนี้เท่านั้นเองกามะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ทุกครั้งที่เกิดความไม่สบายใจลองย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจให้ตอนนี้ใจเราอยากอะไรวะท่ามนมันอยู่ไม่เป็นสุขมันก็จะถ้ามันสังเกต ด, ดีๆมันก็จะรู้อันนี้การสังเกตนี้เรียกว่าการใช้เครื่องมือมการใช้มัชการสังเกตนี้คือการค้นคว้าหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร อันนี้เป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้ในการที่จะค้นหาสาเหตุเมื่อค้นหาสาเหตุแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาอันนี้เป็นอริยสัจข้อที่สี่คือมรรคซึ่งตอนนี้พวกเราไม่ค่อยมีกันสิ่งที่พวกเรามีก็คือความอยากกับความทุกข์แต่สิ่งที่พวกเราไม่มีคืออริยสัจข้อที่สามกับข้อที่สี่ อริยศสตร์ข้อที่สามก็คือการดับทุกข์นั่นเองการหมดทุกข์นึกการทำใจให้อยู่เป็นปกติส่วนวิธีที่จะทำให้ดับทุกขน์นี้เราก็ไม่มีเราไม่มีเครื่องมือในการดับทุกข์กันเครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้เราใช้ในการดับทุกข์นี่เรียกว่ามรรคและหัวหอของเครื่องมือ สัวสำคัญที่สุดของเครื่องมือในการดับทุกข์ก็คือปัญญานี้แต่ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นผู้หล่อหลอเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถสร้างปัญญาที่จะมาใช้กับการดับความทุกข์ได้เราจึงต้องรักษาศีลกันเพื่อจะได้ฝึกสมาธิกัน เมื่อได้ฝึกสมาธิแล้วใจของเราก็จะพร้อมที่จะศึกษาทางปัญญาใช้ปัญญาวิเคราะห์ทสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงทำไมต้องมีสมาธิเพราะถ้าใจเรายังไม่มีสมาธินี้ใจเราจะถูกอารมณ์ต่างๆครอบงำอารมณ์ที่ครอบงำใจคืออะไรก็คือความรักความชังความกลัวความหลง ถ้ามีอารมณ์เหล่านี้เราจะไม่สามารถเจริญปัญญาได้สร้างปัญญาขึ้นมาได้เพราะว่าความหลงมันจะคอยคอยรอบความความจริงความหลงก็คือเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเรา ถ้ามีตัวนี้ขวางอยู่ปัญญาจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จึงต้องทำสมาธิเพื่อเพื่อลงับอารมณ์เหล่านี้ก่อนอเพื่อที่ใจจะได้เป็นใจที่เป็นกลางใจที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็จะสามารถศึกษาความจริงได้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเหนั้นเนี่ยเสียงจักรจันที่มันร้องอยู่ดังๆเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันก็ดับไปแล้วมันก็หยุดไปแล้วถ้าไปอยากให้มันดับตอนที่มันยังไม่ดับนี้ใจจะวุ่นวายใจจะลำพาน แต่ถ้าเราไม่ไปอยากปล่อยให้มันร้องไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็อยู่เลยอันนี้มันเหนื่อยแล้วมันหมดแรงมันก็หยุดร้องใจของเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปแก้ปัญหาอะไรไม่ต้องไปแก้ปัญหาข้างนอกแก้ปัญหาข้างในคือหยุดใจเราอย่าไปอยากให้เสียงนั้นมันหายไปท่านเอง พอหยุดความอยากใจไม่ไปสนใจมันจะล้องก็ปล่อยมันล่องไปเราทำอะไรของเราไปตามเรื่องของเราต่างคนต่างอยู่กันไปเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็หมดไป น, นี่อานิจจังว่ไอา น, นิจจังของไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้น สิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเ <pivotal hari> ช่นร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกิดมาจากพ่อแม่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาส่วนเรานี้เป็นดวงวิญญาณที่เล่ร่อนหยที่ไม่มีร่างกายพอได้จังหวะที่มารับร่างกายจากพ่อแม่ น, นี้เราก็เลยมาเกาะติดกับร่างกายอันนี้ แล้วเราก็ถูกโมหะความหลงไปหลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะเราไม่เคยเห็นตัวของเรานั่นเองตัวของเราไม่มีรูปร่างหน้าตาคือใจหรือดวงวิญญาณนี้มันไม่มีรูปร่างหน้าตามันมีแต่ความคิดความรู้มันเป็นผู้รู้ผู้คิดแล้วมันเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆตามความอยากของมัน งั้นพอมันได้ร่างกายมันก็เลยไปคิดว่ามันเป็นร่างกายขึ้นมาอันนี้แหละเป็นความหลงที่ถ้าเราไม่ได้มาฝึกสมาธินี้ความหลงนี้มันจะฝังอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราฝึกสมาธิแล้วความหลงนี้จะพับตัวลงจะทาให้มันจะรู้สึกเฉยเฉยมันจะไม่รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือเป็นของใครนี่ตอนนี้เราก็ พอมันเป็นกลางแล้วใจเราเป็นกลางแล้วเราก็สามารถสอนใจได้ว่าจำเอาไว้นะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะติดกับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนเราเป็นคนขับรถยนต์รถยนต์นี้เราไปซื้อมาจากร้านซื้อมาจากโรงงานโรงงานผลิตรถยนต์ผลิตเสร็จเขาก็เอามาขาย เราอยากจะมีรถยนต์เราก็ไปซื้อรถยนต์แล้วเราก็เข้าไปนั่งขับในรถยนต์พอเราไปนั่งขับในรถยนต์เราก็อาจจะคิดว่าเราเป็นรถยนต์ก็ได้ถ้าเราไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่โชคดีที่เรารู้ว่าเรากับรถยนต์นี้ไม่ได้เป็นอันเดียวกันรถยนต์นี้เป็นพาหนะของเราส่วนเราเป็นผู้ขับรถยนต์พาเราไปไหนมามาไหน เราจึงไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยกังวลกับรถยนต์เท่าไหร่เวลารถยนต์เจ็บไข้ได้ป่วยคือรถยนต์เสียเราก็ไม่วุ่นวายใจแต่กับร่างกายของเรานี่เรากลับวุ่นวายใจทั้งทั้งที่มันก็เป็นเหมือนรถยนต์เราผู้รู้ผู้คิดก็เป็นคนขับรถยนต์คือขับร่างกายนี้อันนี้แหละคือการเจริญปัญญาเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้เห็นชัดอย่างชัดเจนว่า อะไรเป็นอะไรนี้ต้องทำใจให้สงบก่อนทำใจให้มีสมาธิก่อนเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะสามารถที่จะสอนใจให้เห็นตามความเป็นจริงได้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่มีเกิดนั้นจะต้องมีดับไม่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน หรือต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ตามถ้ามีการเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการดับเช่ mm hmm. นดอกไม้เนี่ยเวลามันบานมันก็สวยแล้วเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันก็โรยไป mm hmm. ทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้อยู่เป็นอย่างนั้นไปตลอดไม่มี mm hmm. ถึงแม้ดวงอาทิตย์นี้ที่เราเห็นทุกวันนี้อาจจะคิดว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนก็ตาม mm hmm. แต่ความเป็นจริงมันก็เสื่อมลงไปทีละนิดทีละนิดดวงอาทิตย์นี้ก็เป็นเหมือนดวงไฟนี่เองแล้วก็ฟืนที่มันเผาทําให้เกิดดวงไฟนี้เมื่อมันถูกเผาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หมดเชื้อเพลิงเดี๋ยวมันก็หมดเหมือนกับเชื้อเพลิงที่เราใส่ไปในรถยนต์เยใส่ไปเต็มถังพอเราขับรถไปไหนมาไหนไปเชื้อเพลิงมันก็ค่อน้ํามันรถมันก็ค่อยลดลงไปลดลงไป เดี๋ยวไม่นานพอมองไปดูที่มาตรวัดน้ำมันดูก็เกือบจะลงไปที่ศูนย์นะเราก็ต้องแวะจอดตามสถานีบริการเพื่อเติมน้ำมันใหม่เนีย่ยนี่คือความจริงที่เราต้องมาศึกษามาสอนใจเรียกว่าปัญญาศึกษาอนิจจังกว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ศึกษาว่า เพราะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละมันทำให้เราทุกข์กัน mm. เพราะอะไรเพราะความอยากของเรา mm. เราอยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอน mm. เราได้อะไรมาแล้วเราอยากจะให้มันดีไปเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆซื mm. ้อรถยนต์มาเราก็อยากจะให้มันดีเหมือนตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆ mm. แต่ขับไปขับไปขับไปเอ๊ะทำไมมันเริ่มมีปัญหาขึ้นมา ่ตรงนั้นเริ่มชำรุดตรงนั้นเริ่มเสียต้องเอาเข้าอู่ซ่อมเวลาจะเข้าอู่ทีไรก็ลำคาญทุกใจเกิดขึ้นแล้วจะไปไหนก็ไปไม่ได้จะใช้รถก็ใช้ไม่ได้อันนี้แหละคือความทุกข์ใจที่ตามมาเวลาสิ่งที่เราอาศัยให้ความสุขกับเรามันไม่สามารถทำหน้าที่ของมันได้เพราะมันเกิดการชำรุดทุดโท สิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการเสื่อมเป็นธรรมดามีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปอาศัยให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้ให้ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ก็เราอย่าไปอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งไหนที่ไม่เที่ยงอย่าไปอาศัยมันอาศัยสิ่งที่เที่ยงดีกว่าสิ่งที่เที่ยงก็มีสิ่งเดียวเท่านั้นน <that> ่ะก็คือใจของเราเนี่ยแหละเป็นใจที่เที่ยงที่จะอยู่กับเราเป็นของเราที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดนอก น, นั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดให้ความสุขกับเราไปตลอด มันให้ความสุขเราเป็นพักๆไปแล้วมันก็จะหมดไปพอหมดไปมันก็ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจอันนี้คือเครื่องมือที่เรียกว่ามรักแล้วเราก็จะมาเห็นว่าตัวที่ทําให้เราทุกข์ใจก็เพราะความอยากของเรานี่เองอยากให้ลูกเสียงกลิ่นรสนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาให้ความสุขกับเราตลอดเวลา แต่มันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็หายไปเปลี่ยนไปหมดไปการเป็นอะไรต่างๆก็เหมือนกันมีตำแหน่งอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปถ้ารับราชการพอกเกษียณอายุตำแหน่งต่างๆที่ได้ก็หมดไปทำงานกับบริษัทมีตำแหน่งอะไรก็เหมือนกันเดี๋ยวพอลาออกจากบริษัท ตำแหน่งนั้นก็หมดไป <Yeah. S 1> ไม่มีอะไรที่ถาวรไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน <Yeah. S 1> แม้แต่ตำแหน่งที่ถาวรมันก็จบที่ความตายอยู่ดี <Yeah. S 1> มีตำแหน่งบางตำแหน่งที่ไม่มีวาระ <Yeah. S 1> เป็นไปได้เป็นไปตลอด <Yeah. S 1> แต่พอถึงเวลาร่างกายตายไป <Yeah. S 1> มันก็หมดไปได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราต้องมองให้เห็นความจริงอันนี้ให้ได้ ว่าสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้ไปอยากมีไรอยากเป็นหรือไปอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันดีไม่ได้ไปสั่งให้มันเป็นของเราไปตลอดไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นตามความอยากของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน คือสรุปก็คือถ้าเรามีปัญญาเราจะอยู่บนพื้นฐานของความจริงคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่มีตัวตนของสิ่งต่างๆเราจะไม่อยู่บนพื้นฐานของความอยากของเราเพราะถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความอยากเราจะทุกข์ไปเรื่อยๆอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์หรือพอได้มาแล้วพอเสียไปก็ทุกข์มีแต่ความทุกข์ตามมาอยู่เสมอ นี่คือมรรคเนี่ยองค์ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าสัจธรรมอริยศัสตร์ข้อที่สี่ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากอยากให้ของเหล่านี้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดแต่พอมันไม่อยู่กับเราเราก็เลยทุกข์กันเราก็เลยเศร้าโกศกเสียใจกัน นี่แหละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องมาสร้างกันมาปฏิบัติกันคือมาสร้างปัญญา<ม>ปัญญาที่สามารถที่จะสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆได้<ม>ปัญญานี้ก็มีอยู่สามสามระดับด้วยกัน<ม>ปัญญาระดับแรกก็คือปัญญาที่ท่านกำลังได้ยินได้ฟังอยู่ตอนนี้เรียกว่าสุตะมะยะปัญญาความรู้ปัญญาคือความรู้ ปัญญาความรู้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแต่ปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้ถ้าหยุดได้ญาติโยมก็บรรลุกันหมดแล้วตอนนี้เลิกแมวากาแฟไม่กินขนมไม่กินไม่เที่ยวไม่ดูไม่ฟังไม่เล่นอยู่เฉยๆมันจะตายให้มันรู้ไปเลยลองทำดูเลยถ้าทำได้ก็บรรลุได้ แต่ปัญญาระดับนี้มันไม่มีกําลังพอที่จะไปหยุดความอยากแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะพาเราไปสู่ปัญญาที่จะหยุดความอยากได้เพราะเราต้องมีเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ของพวกเราความทุกข์ใจของพวกเราก็คือความอยากของพวกเราแล้วอะไรที่จะหยุดความทุกข์ใจหยุดความอยากของใจได้ก็คือก็คือการปฏิบัติธรรมนี่ การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังนั้นสิ่งที่เราต้องไปทําตอนนี้ก็ไปหาเครื่องมือไปสร้างเครื่องมือกันเหมือนกับวลายางแตกเนี่ถ้ารถเราไม่มีที่เปลี่ยนล้อไม่มีแม่แรงเราก็ต้องไปหาเครื่องมือมาหรือไม่ใช่นั้นก็ไปหาช่างโทรไปเรียกรถลากรถจูงมาลากรถเข้าไปเข้าอู่ไปเปลี่ยนยางให้กับเราแต่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วย ความรู้ที่เรารู้อยู่ตอนนี้คือรู้ด้วยรู้ด้วยสุตตมยญปัญญาเนเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปสร้างมรรคกันสร้างเครื่องมือกันเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันเพราะเครื่องมือนี้จะต้องมีการนั่งสมาต้องไปอยู่ต้องไปอยู่วัดไปถือศีลแปดกัน ไม่ถือศีลเพราะว่าถ้าเราไม่ถือศีลเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเองศีลแปดนี้เป็นศีลที่จะมาห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับแฟนเอาเวลาหลับนอนกับแฟนมาปฏิบัติธรรมไม่ให้กินอาหารมากเกินไปกินแค่แค่ก่อนเที่ยงวันก็พอเพราะการกินอาหารมากก็จะทาให้ง่วงนอน แล้วก็จะทําให้ขี้เกียจแล้วก็จะทําให้ไม่อยากจะปฏิบัติธรรมก็เลยต้องให้กินน้อยๆแล้วก็ให้งดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายคือทางบันเทิงทางมหรสพต่างๆไม่ไปไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวเตะตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไม่ให้ให้เสริมสวยความงามทางร่างกาย ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ด้วยการทําหน้าทําตาทําผมทําอะไรต่างๆเพราะเป็นการเสียเวลาหนึ่ง<ม>เสียเวลามีค่าที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะไปทํากิจกรรมเหล่านี้กัน<ม><ม>แต่พอเราถือศีลแปดปั๊บนี้ถูกถูกเบรกหมดในกิจกรรมต่างๆจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะกินข้าวหลังจากเทีชยงวันแล้วก็ไม่ได้จะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ มันไม่มีอะไรทามันก็จะมีเวลาว่างก็มาทำสมาธิกันมาฝึกสติกันนั่นเองการที่เราจะฝึก ส, สมาธิได้สร้างสมาธิขึ้นมาได้นี้เราจาเป็นที่จะต้องถือสีนแปดกันสีห้านี้ไม่พอสีห้าไม่ได้ห้ามกิจกรรมต่างๆสีห้านี้ยังให้เราเร่่มหลับนอนกับแฟนของเราได้ให้กินข้าววันละกี่มื้อก็กินได้กินมื้อข้างมื้อเย็นก่อนนอนก็กินได้ กินได้ทุกเวลาถ้าอยากจะกินแต่พอมาถือสินแปดแล้วทำไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะมาสร้างมรรคเพื่อมาหยุดความอยากต่างๆนี้จำเป็นที่จะต้องรักษาสินแปดกันแลวการจะรักษาสินแปดเพื่อปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องไปรักษาในสถานที่สงบสงัดวิเวกในที่ที่ไม่มีความพุกพล่านคนพุกพล่านไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆ ไม่มีอะไรที่จะมาคอยอดึงใจให้ไปไปกลับไปหาสิ่งต่างๆต้องไปอยู่วัดกันไปอยู่ที่สถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วถ้าอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีจะได้ไม่มีใครมาดึงใจให้เราไปคิดถึงความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันนั่นเองต้องไปถือถือศีลแล้วก็ศีลการถือศีลนี่ไม่ว่า สังวรนอินทรีส์สังวรสังวรตาหูจมูกวิ้นกายแล้วก็ไปปีกวิเวกปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพราะการอยู่คนเดียวนี้จะทำให้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้เต็มที่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็มานั่งคุยกันอีกคุยกันแล้วเดี๋ยวอาจจะชวนไปทานู่นทานี่กันก็จะไม่ได้มานั่งปฏิบัติธรรมกันงั้นคนที่ต้องการปฏิบัติธรรมนี้ ควรจะสำโลมมินรีถือศีลแปดแล้วก็ไปปลีกวิเวกหาสถานที่สงบสงัดไม่มีใครมารบกวนใจ mm. แล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญสติฝ mm. ึกสติเ mm. พราะสติเป็นเครื่องมือที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ mm. ความสงบนี่แหละที่จะเป็นตัวที่จะมาทำให้เรามีกำลังที่จะเลิกความอยากต่างๆได้ เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการกระทําตามความอยากต่างๆแต่การที่ใจจะสงบได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีสติเป็นผู้หยุดใจให้ได้ถ้าไม่มีสติใจก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ยติโยมตื่นขึ้นมาเช้านี้จนถึงบัานี้เคยหยุดความคิดกันบ้างไหม ไม่ได้อยุดอะคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นก็คิดเรื่องนี้คิดแล้วอะไรตามมาอารมณ์ต่างๆก็ตามมาเกิดอารมณ์รักบ้างอารมณ์ชังบ้างก็เกิดความไวิตกกังวลหวาดกลัวบ้างเกิดความหลงวุ่นวายใจขึ้นมาต่างๆบ้างอันนั้นก็เป็นเพราะว่าไม่เคยหยุดความคิดกันใจก็เลยไม่มีความสงบใจก็เลยไม่มีความสุขในตัวของมันเอง มันก็เลยต้องเดินไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกใจคือไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสไปหาความสุขจากการได้เป็นนั่นเป็นนี่นี่คือปัญหาของใจใจไม่รู้ว่าใจนี้สามารถมีความสุขได้ในตัวเองมีความสุขที่ดีที่วิเศษอยู่ในตัวของเราแล้วแต่เราไม่รู้จักเข้าไปหามันเหมือนกับมีเงินหลายพันล้านฝากอยู่ในธนาคาร ในชื่อเราแต่ไม่รู้ว่าชื่อเราชื่ออะไรกันมันต้องไปค้นหาชื่อเราให้เจอพอเจอชื่อเราแล้วทีนี้ก็เบิกเงินเอามาใช้ได้อย่างสบายเนี่ย <Yeah. S 1> เรามีทรัพย์อันเสรฐที่จะให้ความสุขกับเราอย่างมาโห ม, มาโลา น, นี้อยู่ในใจของเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเราอยู่ตลอดเวลาแต่เรากลับไม่รู้กันเรากลับไปหาความสุขจากภายนอกกัน ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากการเป็นนั่นเป็นนี่กันแล้วก็มาทุกข์กันเพราะความสุขเหล่านั้นเป็นความสุขชั่วคราวทีนี้เราโชคดีชาตินี้เราได้มาเจอคนฉลาดคือพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> พระพุทธเจ้านี้เป็นคนแรกที่ค้นพบทรัพย์อันประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของของของเรานี้อยู่ในใจของเรานี้เองเราเราอยู่มานานแล้วฝังอยู่ในใจเรามาตลอดเวลา แต่เราไม่เคยเปิดโอกาสให้มันโผล่ขึ้นมาเลยตอนนี้เราโชคดีมีคนบอกว่าอย่าไปหาความสุขข้างนอกความสุขข้างนอกนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสินค้าก็เป็นเหมือนก้อนหินก้อนกลวดแต่ความสุขข้างในนี้เป็นเหมือนเพชรนะเป็นเหมือนเพชรพลอยเป็นของที่มีคุณค่าราคามหาศาลกลับเข้ามาหาความสุขนี้ดีกว่าด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือเจาะเข้าไปใช้สติเจาะเข้าไปในใจให้ได้ ดึงใจให้กลับเข้าไปข้างในถ้าเราไม่มีสติใจเราจะวิ่งออกข้างนอกใจเราจะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็วิ่งไปหาเขาวิ่งไปหารูปเสียงคิดถึงขนมก็วิ่งหาขนมคิดถึงเครื่องดื่มก็หาเครื่องดื่มคิดถึงอะไรก็จะวิ่งไปหามันเราก็เลยไม่เคยเข้าไปข้างในทีนี้เราจะดึงมันเข้าไปข้างในเราก็ต้องใช้สติเป็นตัวดึงเช่นสตินี้ก็มีหลายวิธี มีมีหลายแบบการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเรียวกว่าพุทธานุสติแต่ระลึกด้วยการสวดอิติปิโสก็ได้หรือจะระลึกด้วยการท่องพุทธโธพุทธโธไปภายในใจก็ได้สู้กับความคิดของเราแข่งขันกับความคิดความคิดของเรามันจะคิดไปหาหนูน่นหานี่เราก็ดึงให้มันมาคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือคิดถึงอิติปิโสเนี่ยท่องไปท่องไป ถ้าเราท่องไปท่องไปมันก็จะหยุดคิดมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ได้ถ้าเราทําแบบไม่ยอมแพ้นะถ้าถ้าการท่องพุโทโธของเรานีชนะมันก็จะดึงใจให้เข้าข้างในใจก็จะสงบขึ้นมาได้ น, นี่คือวิธีการกา ร, การฝึกสติเพื่อให้ได้สมาธิเพื่อให้ใจนิ่งสงบพอใจนิ่งสงบแล้วสิ่งแปลกประหลาดมาสัจจาก็จะโผล่ขึ้นมา ก็คือความสุขที่เหนือกว่ความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงคำนี้มันจะกังวานขึ้นมาภายในใจเลยพอจิตเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะร้องอ๋ออ๋ออ๋อลถแห่งธรรมนี้เป็นอย่างนี้เองลถของความสงบเป็นอย่างนี้เองนัตติสันติพลังสุขขังเป็นอย่างนี้เองความสุขที่เหนือกว่ความสงบไม่มีมีความสุขที่ที่เหนือกั่สิ่งทั้งปวงความสุขทั้งปวงก็คือความสงบนี้เอง ได้จากการฝึกสติเจริญสมาธิต้องพยายามวาควบคุมจิตให้หยุดคิดให้ได้ด้วยการใช้คําบริกรรมใช้การบทสวด scalable. หรือว่าถ้าเวลานั่งสมาธิถ้าดูลมหายใจได้ก็ใช้การดูลมหายใจไปหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกเพียงเทาง่านี้ไม่ต้องไปทำอะไรง่ายๆการหาของวิเศษเลิศโลกนี้ง่ายกว่าการไปหาเงินทอง ที่ดูกว่าจะได้เงินทางมาสักพันสองพันนีเหน่อยไหมต้องาการได้ของที่เป็นราคาเหนือเหนือเหนือเป็นล้านลนี่กลับง่ายกว่าเพียงแต่ให้นั่งเฉยเฉยให้อยู่เฉยเฉยนั่นเองกลับทําไม่ได้กันกลับไม่ทํากันลองดูเถอะพยายามทําใจให้นิ่งให้ได้ทํากายให้นิ่งก่อนจับกายให้นั่งเฉยเฉยแล้วก็มานั่งดูลมถ้ายังดูลมไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปก่อนหรือสวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้ แล้วเดี๋ยวใจมันก็จะหยุดคิดมันก็จะนิ่งมันก็จะเข้าสู่ความสงบพอเข้าสู่ความสงบเราก็จะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นพอเราได้ความสุขที่เหนือกว่าเราก็เลิกหาความสุขที่ด้อยกว่าได้เมื่อก่อนเราต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต้องหาความสุขจากการได้รับตําแหน่งได้เป็นนั่นเป็นนี่กัน แต่พอเราได้ความสุขที่ที่ดีกว่าเรื่องอะไรเราจะไปหาความสุขที่ที่ด้อยกว่าเหมือนกับเวลาที่ญาติโยมได้รถคันใหม่ mm. เรื่องอะไรจะไปขับรถคันเก่าใช่ไหมถ้าได้รถคันใหม่มาแล้วรถคันเก่าก็ยกให้คนอื่นไปได้เก็บไว้ทําไม mm. เอาเอารถคันใหม่ใช้รถคันใหม่ดีกว่ารุ่นใหม่มันทันสมัยกว่าแล้วก็ไม่มีปัญหาพอขึ้นรถสตาร์ทปุ๊บ ก, ก็ติดเลย ไอ้คันเก่านี้มันทตาทายปั๊บมันไม่ยอมติดก็มี <Yeah. S 1> วิ่งไปบางทีวิ่งไปกลางทางก็เสียได้ <Yeah. S 1> แต่พอได้รถคันใหม่มาแล้วรับประกันได้ว่าไม่มีใครบ้าไปใช้รถคันเก่า <Yeah. S 1> รถคันเก่าก็ยกให้คนอื่นได้ <Yeah. S 1> yeah. นี่คือวิธีการที่เราจะใช้ใ ช, ใช้ใช้มัดเครื่องมือนี้มาหยุดความอยากในในความสุขในรูปแบบเก่าได้หยุดหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ หยุดหาความสุขจากจากการมีการเป็นได้ถ้าเราได้ทำถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากการมีตาแหน่งนั้นมีตาแหน่งนี้เป็นนั่นเป็นนี่มาหาความสุขจากการทำใจให้สงบดีกว่าอันนี้แหละคือวิธีการที่เราจะต้องทาต้องปฏิบัติกัน สร้างความสุขในรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อมาทดแทนความสุขในรูปแบบเก่าถ้าเรายังไม่มีความสุขในรูปแบบใหม่เราก็จะต้องอาศัยความสุขในรูปแบบเก่าไปเพราะเรายังต้องมีความสุขอยู่เหมือนถ้าเรายังไม่มีรถยนต์ใหม่เราก็ต้องใช้รถเก่าไปก่อนดีกว่าเดินใช่ไหมถึงแม้รถเก่ามันจะไม่ไม่อาจจะมีปัญหาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่อย่างน้อยมันก็ยังพาเราไปไหนมาไหนได้อยู่ ดีกว่าไม่มีรถเลย <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราได้รถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าเราก็ทิ้งรถเก่าได้ <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาหยุดความอยากกันมาหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยากหาความสุขจากการมีการเป็นหรือการไม่มีไม่เป็นนี้ด้วยการสร้างความสุขในรูปแบบใหม่ <Yeah. S 1> ก็คือคสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบ <Yeah. S 1> ถ้าเรา ถ้าเราได้ความสงบแล้วเราก็จะเริ่มใช้ปัญญาได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้ปัญญาเปรียบเทียบกันระหว่างความสุขทางของเก่ากับความสุขของใหม่อันไหนแน่นอนกว่าความสุขทางเก่านี้มันไม่แน่นอนรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันไม่แน่นอนมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีดับได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวเขาก็อาจจะจากเราไปได้เขาอาจจะไปมีแฟนใหม่หรือก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บ ต, ตายไปก็ได้ พอเก็ตายไปเราก็เราก็ทุกข์อีกนะต้องหาแฟนใหมแ่แต่ถ้าเราได้ความสงบนี้แล้วเราสามารถได้มันทุกเวลาถ้าเราปฏิบัติสมาธิเป็นแล้วเนี่ยเข้าสมาธิได้เราสามารถเข้าได้ตลอดเวลาที่เราต้องการต้องการความสุขเมื่อไหร่ก็เข้าไปในสมาธิ ท, าทันทีอันนี้เที่ยงถอนเที่ยงแท้แน่นอนกว่าความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าอะไรเที่ยงอะไรไม่เที่ยงอันไหนดีกว่าอันไหนด้อยกว่ากันอันที่ด้อยกว่าเราก็ละไปมันก็เลยทำให้เราสามารถละความอยากต่างๆได้ละความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้ละความอยากมีอยากเป็นได้ละความอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้พอเราละได้หมดละท่นี้ ความสุขที่เราได้อยู่ในใจนี้มันก็จะอยู่ในใจเราตลอดเพราะไม่มีความทุกข์มาเขยา่ามาลบกวนใจต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พวกเรามาศึกษากันมาสร้างกันมาสร้างที่พึ่งทางใจนพอเราสามารถดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยตนเองแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเรารู้จักวิธีรู้อริยสัจสี่ รู้ว่าทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรารู้ว่าสิ่งที่จะมาหยุดความอยากของเราก็คือการปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราก็จะใช้วิธีนี้คอยกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไป<ม>เวลาเกิดความทุกข์ใจก็ถามก็ดูเลยว่ากำลังอยากอะไรอยากเที่ยวอยากหาความสุขจากคนนั้นคนนี้พอคนนั้นคนนี้ไม่อยู่ก็มีความทุกข์ ก็ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าไปรักษาศีลแปดไปนั่งสมาธิพอใจสงบขึ้นมาความทุกข์ก็หายไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรเพราะเราเห็นว่าได้อะไรมาก็ดีเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทำให้เราเสียใจทำให้เราเศร้าใจฉั้นสู้อย่าไปมีอะไรดีกว่า มีแต่ความสงบเพียงอย่างเดียวความสงบนี้จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดเนี่ยสิ่งนี้แหละที่เราเรียกว่านิจจังสุขขังอัตตาคือความสงบภายในใจของเราความสงบที่ปราศจากความอยากต่างๆถ้าเรากำจัดความอยากต่างๆได้แล้วใจของเรานี้จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของเราจะมีแต่ความสุขตลอดเวลาใจจะเป็นที่พึ่งของใจได้เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถได้ ไม่ต้องไปพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเพียงแต่เป็นผู้มีหน้าที่สั่งสอนให้เรารู้วิธีกําจัดความทุกข์เท่านัน้นแต่ท่านไม่สามารถที่จะมากําจัดความทุกข์ให้กับเราได้แล้วพอเรารู้จักวิธีกําจัดความทุกข์และเรากําจัดความทุกข์ของเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพระพรัตนตรัยอีกต่อไปไม่ต้องพึ่งพระพุธะทรธพระธรรมพระสงฆ์ อริยสงสาวกนี้ลองไปถามท่านดูท่านพึ่งอะไรท่านจะตอบว่าท่านพึ่งตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถพรอพระรัตนาตายนี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ของเราได้เราต้องดับความทุกข์ของเราเองด้วยการปฏิบัติศิลสมาธิปัญญาเพราะศิลสมาธิเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากต่างๆได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมด แล้วจะไม่มีวันกลับคืนมาอีกต่อไปมันจะหายไปอย่างราบคาบแล้วแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขอยู่ในใจเราตลอดเวลานี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงก็คือพึ่งตนเองแต่ก่อนที่จะพึ่งตนเองได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนก่อนเพราะเราจะไม่รู้จักอริยสัจสี่เราจะไม่รู้จักว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรา และการยากรรมจัดดับความทุกข์ของเราลากความอยากของเรานี้เราต้องมีมัคคือมีศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราต้องเรียนจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราเรียนรู้แล้วว่าเราต้องมีอะไรเราก็ไปสร้างมันขึ้นมามีศีลหรือยังมีศีลแปดหรือยังไม่มีก็ไปรักษาศีลแปดกันมีสติหรือยังไม่มีสติก็ไปฝึกสติกันมีสมาธิหรือยังไม่มีสมาธิก็ไปนั่งสมาธิกันมีปัญญาหรือยัง เห็นตายรักเรีอยงเห็นอันนี้จังทุกขังอันนั้ตาหรือยังตายังไม่เห็นก็ต้องมองให้เห็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตายรักหมดไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้ะที่เราสัมผัสนี้มันเป็นตายรักหมดรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงเห็นเหมือนเสียงจ้ากจันเมื่อกี้มันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับเสียงด่าก็ไม่เที่ยงเขาด่าไปปากเปียกปากฉี่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวเขาก็หยุดด่าเองไม่ต้องไปขอร้องให้เขาหยุดด่าหรอกปล่อยให้เขาด่าไป เดี๋ยวเขาเมื่อยปากเขาก็หยุดของเขาเองเพียงแต่ว่าเราทำใจเฉยๆอย่าไปมีความอยากให้เขาไม่ด่าเราท่านเองที่เราทุกข์ใจก็เพราะเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราไม่ใช่เพราะอะไรหรอกแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ด่าเราเขาจะอยากด่าไปไงก็ปล่อยเขาด่าไปเหมือนจักรจัน์เมื่อกี้นี้เขาอาจจะด่าเราก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าเขาด่าเราแล้วก็ปล่อยให้มันด่าไปด่าไปจนกระทั่งมันเมื่อยมันก็หยุดดามันคงมันงโมโหที่เรามาแย่งที่อยู่กันมั้ง ไม่นั่งทำไมแถวนี้มาเกะกะมาลํามันก็ยพยายามไล่เราด่าเราด้วยเสียงนะแต่เราก็ไม่สนใจปล่อยมันด่าไปเพราะเราไม่มีความอยากให้มันหยุดด่าเราก็ไม่เดือดร้อนนี่หละคือความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพ ร, รมนะสงฆ์ว่าความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากของเราและการที่จะทำให้ความทุกข์ใจนั้นหายไปก็คือหยุดความอยาก ไม่ใช่ไปหยุดเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไปหยุดรูปเสียงกลิ่นรถไปหยุดคนนั้นหยุดคนนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องมาหยุดความอยากของเราเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากแล้วใครจะทําอะไรใครจะพูอะไรมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์ได้ถ้าไม่มีความอยากเกิดขึ้นมาในใจของเราแต่ถ้ามีความอยากแล้วไปห้ามคนนั้นห้ามคนนีน้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ดีเพราะยังมีความอยากอยากให้ก็ พอเขายุดอย่างนี้ก็อยากก็ทําอย่างนู้นพอก็ไม่ทําอย่างนั้นก็ทุกข์อีกแล้วงั้นเรามาแก้ที่ความอยากของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญหาต่างๆก็จะหมดสิ้นไปความทุกข์ต่างๆก็หมดสิ้นไปการพึ่งพระรันตนไตยก็หมดปัญหาไปเราเป็นที่พึ่งของตนได้เป็นอัตตาหิอัตโนมนาโถนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนะระโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวาชันโตสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโน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 ใครอยากจะถามอะไรถามตอนนี้ได้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ทาง Facebook 369, ้ o u t u b e 220, วิทยุออนไลน์14บสี่คลับเผู้รับฟังหน้ากุฏิ 8, ร3อรวม748ค่ะ ตอนนี้มีช่องทางใหม่แล้วนะขับเฮ้าะถ <c oughs> ้าอยากจะเล่นของใหม่ก็ลองดู <c oughs> มีแต่เสียงอย่างเดียวใช่ไห ม, <c oughs> ม แ, ตแต่ถามได้ใช่ไหมคนที่ฟังนี้สามารถตอบ <c oughs> ตอบิดต่อได้บ้าง <c oughs> คุยกับเราไ <c oughs> ด้นะครับคุยได้ถ้าเราเปิดใ่กถ้าตอนนี้อยากจะถามคำถามก็ถามได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่คุณได้ยินคนเดียวเราไม่ได้ยินคได้ฮะถ้าผมกดตรงนี้ออกก็จะได้ยินทัน้งหมดเลยนะ <c oughs> อ๋อครับจะลองดู้หมนะ จะถามครับเป็นยังไงเสียงคุณชายเลเสียงชัดเจนไหมใช่ใชอาจารย์ถามเสียงชัดเจนไหมชัดเจนดีครับหลวงพอครับเสียงชัดเจนุบจุ๊บนะได้ดีก็เป็นอีกช่องทางหนึงสำหรับการฟังธรรมได้ก็มีเครื่องเครื่องเล่นของใหม่แอปใหม่เรียกับเฮา แต่ตอนนี้ Android ยังใช้ไม่ได้ใช่เป็นของ iOS อย่างเดียวของ Apple <ม> ก, ก็ให้เรียนรู้ท่านเองเรามีอะไรใหม่ๆก็อยากจะทดลองดูเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามฝากถามค่ะขอกราบทียนถามพระอาจารย์หากเราซื้อกับข้าวสำเร็จในวันโกดเพื่อใส่บาตรในวันพระแต่พระท่านไม่เดินบาตรวันนั้น เราสามารถเก็บอาหารไว้ใส่ในวันรุ่งขึ้นจะเป็นบาปหรือเหมาะสมหรือไม่เจ้าคะอ๋อมันอยู่ที่ว่ามันบุญก็ไม่บุญกินได้แล้วกินไม่ได้ถ้า อ, อาหารบุญไปกินมันก็บาปอะไปให้โทษกับคนอื่นเขาแต่ถ้ามันไม่บุญเขากินแล้วเ็าได้รับประโยชน์ก็เป็นบุญบุญอยู่ที่กะอยู่ที่อยู่คุณเลิกโทษทำคุณก็เป็นบุญทาโทษก็เป็นบาป สมัยก่อนไม่มีวิธีการเก็บอาหารเขาก็เลยต้องทําอาหารสดทุกวันก็เลยถือว่าเป็นคิดว่าต้องถวายอาหารสดแต่สมัยนี้มันมีวิธีการเก็บอาหารได้ก็เก็บอาหารได้อาหารแห้งอะไรนี้ก็เก็บแล้วก็มาถวายวันไหนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรขอให้มันเป็นอาหารที่ไม่เสียก็แล้วกันไปทานอาหารกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นคนสั่งของสดมาให้เราจะผิดศีลข้อนหนึ่งไหมครับเราไม่ได้มีนคนสั่งเพื่อนสั่งทั้งหมด ไม่ผิดหรอกถ้าเขาสั่งคำถานฝากถามค่ะจะมีธรรมะข้อใดที่จะช่วยให้ผมตัดใจและหายจากความทุกข์ใจจากการตายของลูกสาวถึงแม้จะเก็บร่างลูกไว้ในโรงเย็นแต่ผมก็ยังคงทุกข์ใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพเธอครับท่องอันนี้จังไปเลยอันนี้จังอนนี้จังอันนี้จังไปไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่องไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าใจจะหยุดคิดหยุดคิดถึงลูก เพราะว่าลูกไปแล้วหายไปแล้วเป็นความทรงจำนั้นเราอยู่กับความทรงจำแล้วเราก็ไปทุกข์กับความทรงจำความจริงเขาไปสบายแล้วเขาก็ไปเขาเขาอยู่ร่างกายของเขาไม่เที่ยงเมื่อร่างกายเขาหมดวาระเขาก็ต้องไปต่อเนี่ยเราต้องหยุดใจเราหยุดความอยากของเราอยากที่อยู่กับลูกอยากให้ลูกอยู่กับเราเนี่ยมันถึงทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราท่องอ น, นิจจังอ น, นิจจังมันอาจจะทาให้เราได้สติขึ้นมาว่า สิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาลองท่องไปเวลาทุกครั้งที่ทุกถึงคนตายก็ลองท่องอา น, นิจังอ น, นิจังอา น, นิจังไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หยุดคิดแล้วก็จะได้ปัญญาวอ๋อเนี่อนิจังอย่างนี้คำถางจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะลูกแย่ห้องนอนกับสามีมาได้สักพยะแล้วเราทั้งสองตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมาโดยตลอด โดยส่วนตัวเองได้พิจารณาอสุภะและพิจารณาโมระนาตุสติมาโดยตลอดความตาหนัดจึงพอลดลงได้บ้างแต่พ่อบ้านยังไม่สามารถพิจารณาอสุภะได้เขาจึงอยากจะให้รูปพาไปดูสร้างศพคนตายเพื่อจะได้น้อนํามาพิจารณาจะได้ไหมาเจ้าคะ่ะถ้าคิดว่าทําให้มันจิตมันระลึกถึงอสุภะได้เข้าไปเป้าหมายก็คือให้เราสามารถที่เราเลิกถึง ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายได้ถ้ายังไม่เห็นเราต้องไปดูเช่นไปดูการชันะสุดศพที่โรงพยาบาลก็ไปได้แต่อยู่ที่ว่าใจเราเข้มแข็งพอหรือเปล่าเพราะได้ยินว่าบางคนไปแล้วจะเป็นหลมไปดูแล้วบางคนจะอาเจียนบางคนจะเป็นลมแสดงว่าจิตยังไม่สงบพอก็อาจจะต้องฝึกสมาธิให้มันจิตมีความสงบมีความเข้มแข็งก่อน ปรสศจากอารมณ์ไม่มีปฏิกิริยาความชังความกลัวแต่ถ้าไปดูได้ก็ไปเลยแล้วดูไปเพื่อให้เอาภาพนั้นมาฝังในใจเราให้เราระลึกถึงมันอยู่เรื่อยๆบ่อยๆจกกนกระทั่งสามารถระลึกได้ทุกเวลาเวลาเกิดการอารมณ์ก็นึกถึงภาพศพเหล่านั้นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าสอนภาพรูปหนึ่งท่านก็มีปัญหาเรื่องการอารมณ์นี่ พอดีมีนางโสเภณีสวยงามมากมีชื่อเสียงมากได้เสียชีวิตไปท่านก็บอกให้พระรูปนี้ไปเยี่ยมศพไปดูศพของโสเภณีคนนี้เพอไปเห็นนั้ น, น, นท่านก็บรรลุทำได้เลไปก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่มีถ้ามีสมาธิปับเห็นธรรมเห็นปัญญาเห็นด้วยปัญญา<ม>ก็สามารถที่จะระงับกามตัาหาได้ราค้าตันหาได้ ถ้าไปได้ก็ไปแต่ละคนไม่จไม่เหมเขาทุกคนต้องไปบางคนถ้าสามารถจเจริญระลึกถึงสุภาษได้โดยที่ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องไปสามารถควบคุมการอารมณ์ได้เช่นภรรยาก็าไม่ต้องไปก็ได้ถ้าเขาสามารถที่จะควบคุมการอารมณ์ของเขาได้แต่ถ้าจะไปเป็นเพื่อนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเลยเพียงแต่พูดว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันทไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องไปดูเดี๋ยวโรงพยาบาลก็ต้อนรับไม่ไหวนะ มีแต่ผู้ปฏิบัติธรรมอยากจะไปดูซากศพกันเน<ม>ั้นแล้วแต่แล้วแต่กำลังของจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบชอบแกล้งเราอย่างนี้เราควรทำอย่างไรดีครับแลว้วความกลัวคืออะไรครับก็มีหลายวิธีเป้าหมาย ก, ก็คือต้องการให้เราทำใจเฉยเฉยด้วยสติก็ได้ข่อพุทโธพุทโธไปเวลาอยู่ใกล้สิ่งที่เราไม่ชอบ แล้วก็พูดโทพุทโทเพื่อระงับความไม่ชอบล ง, ลงความไม่ชอบระ ง, งับลงใจเราก็สบายใจเราก็เฉยอยู่กับเขาได้หรือถ้าจะให้ใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าเขาไปเราไปเราไ ป, เราไปสั่งไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้จะไม่เจอจะสั่งไม่ให้เจอกันนี่มันไม่ได้ถ้าจะเจอกันก็ต้องเจอกันสิ่งที่เราควรจะทำก็คือทำใจยอมรับกับความเป็นจริง ถ้าต้องเจออะไรก็ต้องเจอมันไปถ้ามันไม่เฉยก็ใช้พุโทโธพุธโทโธช่วยไปคำ ถ, ถามจากผู้ม่ประสงค์ออกมามค่ะโรคซึมเศร้าไว้โรคจิตสามารถหายจากอาการหรือควบคุมตนเองด้วยการภาวนานอยู่ไมมเช้าค่ะได้มันเกิดจากการขาดสติเนี่ยพอขาดสติก็ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจิตใจ ให้ความอยากครอบงําจิตใจ recycled, อ, ย อ, อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ อ, อไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเศร้าใจพอเศร้ า, ใ จ, ร า, ใ, จราใจมากๆเสียใจมากๆก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปแต่ถ้าฝึกสติพุทโธพุทโธพุทโธแล้วความอยากต่งตางๆมันก็จะบรรเทาลงแล้วใจก็จะอารมณ์ต่างๆก็จะเบาลงใจก็จะกลับมาเป็นปกติได้ แต่อยู่ที่ว่าเขาสามารถที่จะบังคับตัวเขาให้เจริญสติได้หรือเปล่าให้ท่องพุทโธได้หรือเปล่าหรือให้สวดมนต์ไปได้หรือเปล่าถ้าสวดไม่ได้ท่องพุทโธไม่ได้ก็อย่างน้อยฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้การฟังธรรมก็เป็นการฝึกสติไปในระดับหนึง่งง่ายกว่าการที่จะต้องมาท่องพุทโธเองหรือสวดมนต์เองเพียงแต่ให้มีสติฟังธรรมไปเรื่อยๆใจก็จะหยุดคิดหยุดอยากในเรื่องราวต่างๆได้ แล้วความเศร้าหมองแตกต่างก็จะมันเทาลงไปคําถามจากคุณโวผู้ปฏิบัติที่จะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกจะต้องผ่านรูปชาญและเอารูปชาญทุกท่านไหนครับก็ขั้นรู ป, ปรชาญเนี่ยต้องผ่านแต่รู ป, ปรชาญนี้ไม่จําเป็นพอได้ชาญสี่ได้โอบเบขาก็สามารถไปเจริญทางปัญญาต่อไปได้ <c oughs> คําถามจากกรุ๊ปโอโป้ เราจะเป็นต้องกล่าวสมาทานก่อนนั่งสมาธิหรือเปล่าหรือนั่งได้เลยคะแล้วหลังจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องกล่าวคำออกจากสมาธิด้วยหรือเปล่าวิธีที่ถูกต้องทําอย่างไรเจ้าคะ่ะวิธีถูกต้องก็ทําเลยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีพิธีกรรมไม่ต้องไหว้ครูก็นั่งให้วิธีที่ถูกต้องก่อนจะมานั่งก็คือให้มีสติฝึกสติไว้ให้มากๆคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยใช้ใจให้คิดอันนี้ต้องทําก่อนที่จะมานั่ง ป่อยพุทโธพุทโธไปทั้งวันเลยทําอะไรก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเท่าที่จําเป็นคิดในเรื่องที่ต้องคิดในเรื่องที่ไม่ต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุทโธพุทโธพุทโธหรือสวดอิติปิโสไปก็ได้หรือว่าบังคับมันให้มันดูงานที่เรากําลังทําอยู่กําลังอาบน้ำํำให้มันอยู่กับการอาบน้ํากําลังล้างหน้าแปรงฟันหวีผมก็มให้มันอยู่กับงานนั้นๆมันก็จะไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่ได้มันก็จะมีสติ พอมานั่งหลับตาดูลมมันก็จะดูลมได้จิตก็จะสงบได้ง่ายเวลาออกมาก็ออกมาเลยออกมาก็รักษาสติต่อไปไม่ใช่ออกมาปั๊บก็ทิ้งสติปล่อยให้ใจคิดไปก็ไม่ได้ออกมาก็รักษาสติต่อควบคุมใจต่อไปต้องทำอย่างนี้อมดแล้วเลยการปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีไม่มีพิธีกรรมไม่มีต้องมาสมา ต้องมาสมาทานขอนั่งสมาธิไม่ขอนั่งกับใครหรอกก็ขอนั่งกับตัวเราเองขอนุญากากิเลสเราเลยกิเลสจ้าตอนนี้ขอนั่งขอนั่งสมาธิหน่อยนะอย่ามารบกวนฉันนะสิ่งที่ต้องมีก็คือสติเท่านั้นในการปฏิบัตินี่สตินี้จำเป็นในทุกกรณีก่อนนั่งก็ต้องมีสติขณะที่นั่งก็ต้องมีสติหลังจากออกมาจากสมาธิมาก็ต้องมีสติสตินี้ขาดไม่ได้ ให้มันกลายเป็นสัมปัชญะคือให้มันเป็นสติอัตโนมัติคือให้มันให้มันเป็นโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งไปอะไรมันสติมันจะตั้งอยู่ทุกเวลานาทีถ้าเราฝึกดีๆนี่สติจะทำงานตลอดเวลาแต่ในเบื้องต้นนี้มันเป็นเหมือนเด็กที่หัดเดินหัดยืนเนี่ยลุกขึ้นมาเดินได้ยืนได้ก้าวหนึ่งก็ล้มลงไปแล้วสติของผู้ที่ไม่มีสัมปัชญะนี่ก็จะเผลอเรื่อย พออยู่พุโทโธได้สักสองสามคำแวะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวพอระลึกสติได้สติกลับมาอ้อแล้วกลับมาพุโทโธพุโทโธได้สองสามคำไปอีกละใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องทอ้อแทนะ้มันเป็นเรื่องทั่วปกติมันเป็นขั้นตอนของการเจริญสติเหมือนเด็กอะ่ะเด็กก็ไม่ทอ้อแท้พยายามลุกขึ้นมายืนอยู่เรื่อยๆยืนขึ้นไปแล้วพยายามเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กยืนได้เดินได้อย่าง สติก็พยายามฝึกไปเรื่อยๆล้มลุกคลุกคลานไปเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสติของผู้ใหญ่เป็นสัมปชัญญะมันจะมีสติทุกเวลาไม่เผลอเลยคำถามจาคุณมีเจีย๊ยเวลาทํางานแล้วเพื่อนร่วม ง, งานคุยโทรศัพท์เสียงดังหัวเราะเสียงดังมากหรือคุยเล่นกับคนข้างๆเสียงดังเราพูดโถก็แล้วแต่เสียงดังยังคงได้ยินตลอดและก็ยังไม่หยุด ทำให้บางครั้งเราทำงานไม่ได้ต้องทำอย่างไรดีเจ้าค่ะเอาเอะไรมาอุดหูสิอุดหูแล้วนั้นก็จบปัญหาคือเราอยากไปหยุดเขามากกว่าหยุดเราอยากไปหยุดให้อยากจะให้เขาหยุดพูดหยุดส่งเสียงดังมันอะไรทําให้เราเครียดเสียไม่มีสติทํางานแต่เรายอมรับปรับความเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เรามาแก้ที่ตัวเราดีกว่าถ้าลาคาญเสียงก็เดี๋ยวนี้ก็มีหูฟังเนก็ อ, อุด เสียบก็ไปในหูปั๊บมันก็ไม่ได้ยินเสียงข้างนอก้วหรือข้างนอกก็เสียงจะเบาจะไกลไปทำให้เราสามารถจดจ่อกับงานที่เราทำได้เดยไม่มีความรู้สึกรบกวนใจนั้นเราต้องเปลี่ยนใจอย่าไปเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเราดีกว่านะเปลี่ยนความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาหยุดส่งเสียงดังเพราะเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าไปห้ามเขาเดียวเขาโกรธเราก็เป็นเรื่องเนเราเกินขึ้นมา เขาปล่อยเขาส่งเสียงไปเดี๋ยวเขาเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเสียงจั๊กจั่นเนี่ยถ้าอยากให้มันให้มันหยุดร้องก็เครียดกันน่ะนี่จาว่าปล่อยมันร้องไปแล้วก็พูดของเราไปฟังของเราไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่างฝ่ายต่างอยู่กนันั้นเขาส่งเสียงดังก็เรื่องของเขาะเราก็มีห น, น้าที่ก็ทำงานของเราถ้ามันรบกวนล้วก็หาอะไรมาอุดอุดหูท่านเอง พอมีอะไรใส่เข้าไปในในหูแล้วเสียงมันก็จะเบาจะไกลมันก็จะไม่มาลบกวนการทำงานของเราได้แต่ถ้าพูดกันได้ก็พูดนะไม่ได้หมายความว่าห้ามพูดนะถ้าคุยกันได้บอกพี่ขอร้องอะไรมันลบกวนเนะี่ยเสียงนี้หรือบอกถ้ามีหัวหน้าก็ไปแจ้งให้หัวหน้าเขาทราบก็ได้แล้วเขาจะได้มาห้ามปานเพราะมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการลบกวนผู้อื่นอย่างเนี้ทุกครั้งที่แสดงทําที่นี่มี มีคุณเนี่ยประกาศบอกก่อนเลยช่วยปิดมือถือนะ<ม>ช่วยปิดสัญญาณเสียงนะเพื่อจะได้ไม่ไปบรบกวนผู้อื่นเขาเวลาเสียงมันเข้ามาแล้วก็นั่งอยู่ในความสงบอย่าพูดอย่าคุยกันอันนี้มันเป็นมารายาทของการที่อยู่ร่วมกันโดยเฉพาะเวลาที่ต้องใช้สมาธิในการทํางานถ้ามีเสียงวมันจะมาบรบกวนสมาธิได้หมดแล้วเหรอโอเค